เพราะว่าก่อนที่จะพระตอนเช้ามาถึงนี่ก็ได้รับหนังสือเล่มนี้เนี่ ย, ยจากหลานเนี่ยของหมอบรรพรนะฮะนั่งอยู่ข้างหน้านี้นะครับก็เป็นเรื่องของบรรดาโลกที่เล็กที่สุดที่ใช้กล้องจุลทรรศน์ถ่ายมาซึ่งขยายเป็นร้อยเป็นพันเท่านะครับแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ตอนบ่ายนะบ่ายวันนี้ก็มีนะบ่ายวันนี้ก็มีหมอจะได้มาแสดง เรื่อง ก, ยกายคัตตาสตินะครับก็คุยกันตอนบ่ายวันเนี้ครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คุยกันแล้วก็หมอก็เอาภาพมาให้ดูนะบอกว่าในร่างกายของคนเนี่ยที่ศีรษะผมของเราเนี่ยมีตัวไล่เขาเรียกว่าไลฝุน่นมีทุกคนนะเป็นหมื่นตัวมองไม่เห็นด้วย นะมองไม่เห็นด้วยแล้วถ่ายรูปมาให้ดูโอ้โหเห็นแล้วก็ตกใจเลยว่ามันมีขันห้าอยู่บนศรีรษะเราอยู่ตั้งห้าหกหมื่นขันนะนะไอเราก็หลงตัวว่าเรานี่เป็นโลกของเราหนึ่งนะมาของเราเป็นเจ้าของโลกใบนี้นะแต่ไอบรรดาไอ้พวกเลนพวกนั้นนะมันบอกว่าโอ้ไออันนี้โลกของมันนะเนี่ยเพราะว่า มันใช้โลกใบนี้อย่างสมบูรณ์เลยมันเกิดที sah, <S <s ่นี่นะมันกินที่นี่นะมันกินศีรษะเราอ่ะมันกินไอ้ไอ้ไอ้หนังศีรษะของเราอ่ะแล้วมันก็ถ่ายลงมาตรงเนี้ยมันไม่ต้องไปไกลด้วยนะโอ้สบายมากสูวมันอยู่บนนี้เลยนะห้องห้องครัวมันก็อยู่บนนี้เลยนะมันกินเลี้ยงกันอยู่บนเนี้ยนะมันก็ถ่ายอยู่บนเนี้ยแล้วมันก็ออกลูกออกเต้ากันอยู่บนเนี้ยนะ เป็นหมื่นตัวนะไม่เห็นนะไม่เห็นแล้วเป็นจริงอย่างนั้นด้วยนะเป็นจริงอย่างนั้นด้วยโอ้เรานึกไม่ถึงเลยมันอยู่บนบนโลกใบนี้เนี่ยนะมันเราคงจะต้องสระผมอยู่เรื่อยใช่ไหมมันคงจะแสบหูแสบตาไปบ้าเหมือนกันนะนะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็อบผมไปเดี๋ยวก็สระผมเลยนะมันก็คงเกิดเกิดตายตายอยู่เรื่อยเหมือนกันนะแต่คงคิดว่าคงจะเกิดเร็วตายเร็วอยู่ในเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่น่ากลัว เป็นปราชาด้วยเป็นโรงพยาบาลด้วยเป็นที่คลอดลูกมันเข้าไว้กันนะแล้วไม่ต้องกล่าวถึงว่าในทั้งตัวเนี่ยนะมันจะมีอะไรมากกว่านั้นอย่างเมื่อวานนี้ที่ท่านอาจารย์แสดงในเพนะบินทสู์ท่านบอกว่าไอ้ร่างกายนี่นะไอ้รูปนี้เปรียบเหมือนกับฟองน้าฟองน้าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บรรดาสัตว์ทั้งหลายมี มีสัตว์เล็กๆเรียกว่ากิมมิชาติอยู่ถึง80ิตระกูลยังไม่ได้บอกว่ามีกี่ตัวนะมีสิมี 10, ม80สิตระกูลเพราะฉะนั้นเนี่ยใน80ดตระกูลเนี่ยแต่ละตระกูลมีกี่ล้านตัวไม่ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นพระองค์ตัดไปบอกว่าเออที่คนที่ไปเกิดในในสุกติภูมินะั้เหมือนกับฝุ่นอยู่ในเล็บมือเชื่อเชื่อเชื่อร้อเซเลยนะเหมือนฝุ่นจํานวนฝุ่นนับฝุ่นมาได้ในเล็บมือเนี่ยนะสำหรับ ผู้ที่ไปเกิดในทุกติภู่มเนี่ยยังเป็นสัตว์เรนเชันที่เล่าเนี่ยนะเปรียบเหมือนว่าทั้งโลกนี่เล ย, เ ล, ยละเอียดยิบเนี่ยหยิบขึ้นมาเนี่ยมันมากเท่าไหร่เนี่ยมากขนาดเป็นโลกที่ปกับปลายเล็บนี่โอ้โหน้อยมากนะวิทยาศาสตร์ยิ่งเจริญเท่าไหร่นะครับเรายิ่งเห็นพสัสดุพันยุทธญาณมากเท่านั้นนะเราผิดกับคําสอนอื่นๆ น, น, นะวิทยาศาสตร์ยิ่งเจริญเท่าไหร่ยิ่งกลายเป็นว่า ความจริงที่เคยพูดพูดไว้มันไม่ค่อยจริงอย่างนั้นแล้วแต่ผู้ศาสนาไม่เป็นอย่างนั้นนะกลับเป็นยิ่งจริงยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งเห็นชัดเจนจริงๆเหล่านี้นี่เกิดมาไม่กี่ปีนะครับเกิดมาจริงๆแล้วเนี่ยนะไอ้เทคโนโลยีนี่จ ะ, จะเจริญมาผมว่าไม่เกินไม่เกินห้าสิปีนะเนี่ยนะจนกระทั่งปัจจุบันนี้ขยายได้เป็นหมื่นเท่านะขยายไวรัสได้ ขยายตัวไวรัสได้คิดดูแล้วกันเนะ่ยมันเล็กขนาดนั้นแล้วแล้หมอบอกเมื่อกี้บอกว่าเอ้ยเล็กกว่าวรัสยังมีอีกนะโอ้โหมันจะพิสดารอะไรอย่างนั้นเนี่ยนะครับนี่ก็จะเห็นว่าการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์มานั่งฟังธรรมอยู่นี้โอ้มันน้อยจริงๆนะฮะก็จากการนั่งหลับตาขอคิดไปอย่างนี้แหละครับไม่ทราบว่าท่านอาจารย์จะคิดอะไรมัางหรือเปล่าก็ไม่รู้เนะี่ยใครอยากสนใจมาดูได้นะครับ นี่หน้าตาของนี่หน้าตาของอะไรเนี่ยเป็นเป็นเป็นสีสระของเลนเลนเป็นศรีษนศรษะของเลนนี่นะครับนะมันสามารถขยายกระทั่งหนวดมันก็มีขนเล็กๆด้วยโอ้โหมันเห็นขนาดนั้นนี่ของเล็กที่สุดก็ยังมาให้เห็นได้นี่ขนาดรูปธรรมนะป่วยกล่าวถึงนามธรรมว่ามันจะละเอียดแค่ไหน เฉพาะเฉพาะโลกของสัตว์เดรัจฉานนะยังวิจิตพิสดารและก็โลกมันไม่ได้มีเฉพาะโลกของเด ร, รัจฉานอย่างเดียวใช่ไหมเฉพาะอาบายโลกมีทั้งสี่อย่างนารกเปรตอสุรกายที่ไม่สามารถจะใช้กล้องเหล่านี้ฟองเห็นได้มีรูปที่ละเอียดกว่า น, นั้นด้วยซ้าไปไดูนะ เนื่องจากจากขูปราสาธะเรามองไม่เห็นรูปที่ละเอียดกว่านั้นอีกแล้วก็มนุษย์เนี่ยนะก็เป็นโลกอีกโลกหนึ่งโลกที่ละเอียดกว่ามนุษย์อีกที่เป็นในเรืร่องเทวโลกนั่นและแม้กระทั่งมาราโลกมาราโลกก็คือแพนปนิมิตวัตสวัตีหรือว่าพรหมโลกก็ละเอียดละเอียดละเอียดขึ้นไปอีก ล, นะละเอียดกว่าที่จะใช้ตาธรรมดาเนี่ยมองเห็น หรือใช้จักรคู่ภาษาท่าของคนทั่วไปนี่มองเห็นที่เรียกว่าใช้ตาทิพย์นั่นแหละคนที่มีทิพประจกักขุจึงจักมองเห็นแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดก็คือโลกถ้าอย่างที่พระพิสุรูปหนึ่งทูลถามมาคำว่าโลกโลกด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่จึงชื่อว่าโลกางนั้นแต่ที่เรียกว่าโลกนับตั้งแต่ เดรฉ า, านแปติวิสัยมนุษย์เทนะวดาขันธโลกธาตุโลกอายตนะโลกเนี่ยนะธาตุโลกโลกทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะด้วยเหตุเท่าไหร่ด้วยเหตุอย่างไรหรือจึงเรียกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นโลกผมก็ตรัสว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะที่เรียกว่าโลกเพราะจะต้องแตกสลายนะคำว่าโลกคือสิ่งที่จะต้องแตกสลาย อันนี้ก็ขออธิบายเกี่ยวกับเรื่องสุญญตาต่อจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะมาขั้นระหว่างเรื่องบารมีมานะมาสับวางบ้างนะคงจะเป็นในหน้าสามรอยสิบเนาะเพราะว่าข้อความที่อธิบายพุทธคุณในตอนต้นๆไม่ได้เอามากล่าวณทีน่นี้เพราะว่า ยอมเขาอยากให้อธิบายเรื่องคำว่าสุญญตานะี่นะให้ฟังหน่อยฟังงั้นเถอะทีนี้ว่าสุญญตานั้นข้อความที่อธิบายสุญญตากว้างขวางเลยมีอยู่สองแห่งนะอธิบายแบบกว้างขวางจริงๆเลยคือในคัมภีร์ ป, ปฏิสัมพันธ์มรรคสุญญตากถากับในนี่แหละโมคะราชะมานวากะปัญหาแล้วก็ในมัชชิมนิกายคือจูรสุญญาสูตรมหาสุญญตาสูตร น, นั่นเกี่ยวกับเรื่องสุญญาตาแต่ละแห่งแต่ละแห่งที่เป็นพุทธพจน์ส่วนเฉพาะตรงนี้ก็ขอเอาข้อความในจุลนิเทศซึ่งจุลนิเทศนั้นก็หยิบเอาข้อความในคำพีสุตตะนิบาตปารายนวัคมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละซึ่งในหน้าส0 8ยดที่ท่านโมคราชเข้าไปทูลถามกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า บุคคลพิจารณาเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงจักมองไม่เห็นนะในหน้าส0มแดนะข้อแปสบเจ็ดเนื่องมาจากคำถามอันนี้ว่าบุคคลพิจารณาเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงมองไม่เห็นนะซึ่งในหน้าสามรยเกนะที่เป็นตัวดำๆนหะนาะพระพุทธเจ้าจง พระองค์ทรงตรัสว่าเธอจงพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของว่างเปล่านไะก็คือให้เห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์เป็นของว่างเปล่ามีสติทุกเมื่อพึงถอนอัตตนุทิฏฐิเสียพึงเป็นผู้ข้ามมัจจุราชเสียได้ด้วยอาการอย่างนี้นไะบุคคลพิจารณาเห็นโลกอยู่อย่างนี้มัจจุราชจึงมองไม่เห็นเห็นไะห ก็คือผู้ที่มีปัญญาเห็นโลกโลกที่ว่าไปเนี่ยนะนับเนื่องอะไรบ้างทบทวนโลกคำว่าโลกอีกครั้งหนึ่งโลกคือนรกสัตว์เดรัจฉานเปรตมนุษย์เทวดาหรือว่าพรหมโลกขันโลกธาตุโลกอายตนะโลกเสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าโลกคำว่าโลกเพราะอาถาวาอถาว่าอะไร อัาว่าแตกสลายคำโลกนะั้นมีอัาว่าแตกสลายเพราะฉะนั้นเธอจงพิจารณาเห็นโลกโลกคือสิ่งที่แตกสลายเหล่านี้นี่แหละโดยความเป็นของว่างเปล่านี่นะโดยความเป็นของศูนย์คาว่าเห็นเป็นชื่อของอะไรทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะหมายถึงตัวที่เข้าไปเห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นสิ่งที่เห็นนี่เป็นชื่อของปัญญา สิ่งที่ถูกเห็นนั้นเป็นชื่อของโลกจะเรียกขันธโลกธาตุโลกอายตนะโลกก็ได้แต่จะพูดแบบพิสดารหน่อยก็คือโลกหนึ่งก็ได้โลกสองโลก3โลกสี่โลก5โลกหโลกเจโลก8โลก9โลก1 0โลก12โลก18เนี่ยนะจะเอาโลกแบบนั้นก็ได้แต่ก็คือสรุปใจความสาระก็อันเดียวกันแล้วแต่ว่าประสงค์จะกล่าว โดยแง่มุมใดเนี่ยนะของเรานั้นเป็นประเภทถ้าจะตรัสรู้ธรรมก็เข้าได้บ้างกันในยะบุคคลถ้าไม่ตรัสรู้เลยก็เป็นปะทัประมะเพราะฉะนั้นเรียนทุกแง่ทุกมุมจะเอาสั้นๆง่ายๆเนี่ยนะโอ้โหข อ, อยาแคปซูลหนึ่งกินได้สรพัดโรคนี้ขอภัยนะโยมต้องทำบุญมากตอนนี้เกิดให้ทันพระพุทธเจ้านะนะนั่นนะแต่นนะยุคนี้ก็ต้องฟังให้หมดนะ น, นะแต่อย่าไปคิดอะไรมากนะัก คือไอคว่าไม่คิดมากหมายว่าอย่าไปฟุ้งซ่านฟังงั้นแปล ว, ว่าฟังไปเธอขณะที่ฟังนะเป็นสุตตะไหมเป็นสุตตะนี้นับเนื่องในอริยทรัพย์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะขณะที่ฟังฟังแล้วกุศลจิตเกิดเนี่ยนะอันนี้ก็นับว่าเป็นเบื้องแรกของสุตะหรือที่เรียกว่าเล่าเรียนก่อนนะผู้ที่มีสุตะสามารถได้ยินได้ฟังแล้วก็สามารถทรงจําไว้ได้สิ่งเหล่านี้เป็นอริยทรัพย์ นับเนื่องในอริยทรัพย์เจ็ดประการหนึ่งในอริยทรัพย์เจ็ดประการคิดดูนะพระพราหูนี่เป็นโอรสของเจ้าชาย ธ, ธาิตาถะว่างันเถอะจะพูดเลทีนี้ตอนหลังเจ้าชาทธาิตถะออกบวชบำเพ็ญมหาประทานที่ยิ่งใหญ่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้ออกบวชได้เจ็ดปีนะออกบวชวันไหน วันที่พระหุ่นคลอดแหละคลอดออกบวชเลยนะบอกเห็นหน้าลูกก็บวชได้แล้วทีนี้ครบปีที่เจ็ดพระพุทธเจ้าก็เสด็จกลับเมืองกบิลพัทกลับมาพระนางพิมพาเนี่ยบอกให้ลูกเนี่ยไปขอสมบัติพ่อนะะสมณะที่เดินหน้าเขาทั้งหมดนั่นแหละพ่อของลูกะ่าไงลูกไปขอสมบัติกับท่านนะ เพราะว่าท่านมีขุมทรัพย์อยู่สี่ขุมะนะขุมใหญ่ๆเลยนะพอออกบวชแล้วขุมทรัพย์อันนั้นมันหายอะ่ะปกตินางพิมพาเจียมองเห็นว่บเขาเรียกว่าภูเขาทองว่าสี่ลูกว่างั้นเถอพะพุทธาสาวเขาบอกภูเขาทองมีอยู่สี่ลูกอ่ะมันหายไปอะ่ะตั้งแต่วันออกบวชนี้ไอ้ขุมทรัพย์อันนี้หายไปนั่นลูกไปขอขุมทรัพย์อันนี้จากพ่อนะไปถึงพระราหุลเนี่ยเด็กอายุเจ็ดขวบไปก็พูดน่ารักเลยไปเห็นแล้วโอ้ไปเห็นพระพุทธเจา้าแล้วรักเลย รักก็บอกว่าขอซักหน่อยนะติดตามขอซักพระ อ, องค์ก็ไปให้เดินตามมาเรื่อยทีนี้คนที่ติดตามพระพุทธเจ้าไปเนี่ยนะไม่มีใครกล้าเรียกกลับได้นะ ด, ด้วยพุทธานุภาพด้วยอะไรอย่างอื่นเนี่ยนะเพราะอย่าลืมว่าวันก่อนนี้พระ อ, องค์แสดงยงมกับปาติหาเนี่ยฝุ่นเนี่ยสลบหมู่พญาตหมดเนี่ยนะคนเนี่ยกลัวหมดแล้วเพราะฉะนั้นเอาราหุลกุมารที่เดินตามพระพุทธเจ้าไปเนี่ยนะ ไม่มีใครกล้าเรียกกลับ ใ, ในระหว่าง น, นั้นก็ขอซัพย์ไปเรื่อยตามขอรัพย์พระพุทธเจ้าก็ะหม่ว่านะก็เดินไปเรื่อยๆพอไปถึงวัดให้พระสารีบุตรบวชเลยให้พระสารีบุตรจับบวชเลยคนว่าบวชให้สารีบุตรไอ้บวชให้ราหุนทีนะบวชว่าไงบวชถึงแบบใรสารนคมนี่แหละพุทธังสารนังกระชามินี่ยแหละทีนี้ถามว่าเอ้ามาขอทรัพย์ที่เป็นอย่างเงี้ยทาไมพระพุทธเจ้าจึงให้บวช ก็บอกว่าพราหุนเนี่ยนะถ้าเขามาขอทรัพย์ธรรมดาทรัพย์ภายนอกทรัพย์ทั่วไปที่เรียกว่าแก้แหวนเงินทองเลยนะเป็นเป็นของที่ยังมีชาติมีชรามีมรณะมีโศกะมีปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตยังเกี่ยวข้องกับกองทุกอยู่ผู้ที่มีทรัพย์เหล่านี้ยังไม่สามารถจะพ้นจากกองทุกได้หรอก เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายถึงจะมีเท่าภูเขาเรากะกิเลตันหาก็ไม่ได้เหือดแห้งไปเลยแบบนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ตันหาอันนั้นที่ไปบริโภคทัพย์อันนั้นเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์นะพระองค์ก็เลยหยิบยื่นอริยทรัพย์ให้ชั้นแรกให้ท่านบวชเลยเน่นะบวชแล้วท่านก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาท่านก็ได้ทรัพย์คือศรัทธาก่อนเนี่ยนะทีนี้บวชแล้วเป็นผู้ที่มีศีลดีเนี่ยนะทรัพย์ของท่านก็คือ ศีลอีกท่านบวชแล้วท่านก็รักษาศีลแล้วท่านเป็นผู้ที่มีฮิริโอต ป, ปะมีความละอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อบาปอย่างแรงกล้าท่านก็มีทรัพย์คือฮิริและโอต ป, ปะทีนี้ท่านมีอาจารย์คือภาษาริบุตรเนีย่ยนะภาษาริบุตรนี่เป็นอุปชาของท่านเพราะฉะนั้นท่านตื่นเช้ามาก็จะกรอบทรายขึ้นมานะขอให้ได้รับฟังพุทธโอวาทหรือว่าฟังโอวาทจากสำนักของอาจารย์เนี่ยนะ ข้ากับกองทรายที่กอบขึ้นมาตือนเช้ามาจะต้องสมาทานแบบนี้ทุกวันอ่ะผู้ให้ฟังเพราะฉะนั้นเท่าเป็นเอตทัคคะในด้านไครในการศึกษาอั น, นั้นพระราหุลก็จะเลิศทางสแสวงหาสุตตะว่างั้นเถอะรำเรียนเนี่ยโอ้ยฝักใฝ่มากว่างั้นเะเพราะนั้นท่านเป็นผู้ที่เป็นเลิศในทางการศึกษามากั้นเะแต่ถ้าพระนนท์นี้เป็นเอตทัคคะในการฟังแต่ว่าพระราหูนเนี่ย ฝักฝ่ายสมมาทานสแสวงหาอริยทรัพย์คือสุตะท่านยินดีที่จะรับโอวาทเนี่ยนะท่านยินดีที่จะฟังที่จะรับโอวาทรับคําตักเตือนเพราะฉะนั้นท่านได้ทรัพย์คือสุตตะแล้วท่านก็เป็นผู้ที่มีจารค้าพระราหุล น, นั้นเป็นผู้ที่สมมาทานทุดงอาการสมมาทานทุดงของท่านเรียกว่าจารคะแล้วพระราหุลก็เป็นผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีปัญญาตอนหลังท่านก็พิจารณาเหตุเกิดและความดับของอุปาทานขันธ์ห้า บรรลุเป็นผ้าอรหันเหมือนกันพระพุทธเจ้าให้โลกุตระทรัพย์ตอนที่เป็นกุมารราหุลเนี่ยนะไปขออะไรขอโลกิยาทรัพย์พระพุทธเจ้าบอกว่าเออทรัพย์อันนี้ยังเกี่ยวเนื่องกับความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นอย่าเอาเลยเอาทรัพย์ที่เป็นโลกุตระเธอเหมือนกันอันของเราก็เหมือนกันในช่วงที่ฟังพระธรรมคาสอนเหล่านี้เนี่ยนะอุยฟังดูแล้วมันมากใหม่เหลือเกินอันนนก็ใหม่รู้อันนี้ก็ไม่เข้าใจนั้นก็ยากอันนี้ก็ไม่เข้าใจโน่นก็ ฟังแล้วมันชวนให้อุทจักกรรมเริบเหมือนอุทจักกรรมเริบ ก, กุจะเล่นงานเข้าไปต่อสงสัยบุญน้อยบังอะไรบัางก็ว่าไปเรือร่อนั่นแหละน้อยเนื้อต่ำใจไปบ้างหรือเอ๊ะอาจจะไม่ถูกมั้ง น, นะ ห, หาอันใหม่ น, นะแต่ว่าขณะที่ฟังตั้งใจฟังไปจิตใจที่ตั้งใจฟังขณะที่ตั้งใจอันนั้นก็เป็นโยนิโสมนัิการขณะนั้นนั้นก็เป็นกุศล แต่ที่เราไม่สามารถจะทรงจำไว้ได้ขอให้รู้เธอว่านั่นหมายถึงว่าปุรเพ็ตปุญญาตาของเราน้อยน้อยจนถึงก็เรียกว่าไม่สามารถจะทรงจำไว้ได้อะไรก็ตามถ้ารู้ว่าน้อยเนี่ยควรที่จะท้อแท้ไหมก็ไม่ใช่เป็นเป็นภาระใช่ไหมพระมหาชนกท่านมองไม่เห็นฝั่งท่านอย่งางไววเลยน้ำอะ่ะ อารของเรานี่ก็ฟังนี่ก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วคําสอนก็มีชัดเจนไม่ได้สมเดาไม่ได้กะไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะไปคน้นไปคิดไปหาเองก็ไม่ต้องคําสอนที่เป็นสูตรหลักตายตัวนี่ก็มีอยู่แล้วขอให้มีศรัทธาเท่า น, นั้นเองศรัทธาเป็นชื่อของอะไรโอยเชื่อแล้วละ่ะเชื่อแล้วละ่ะศรัทธาหรือยังเชื่อหรือยังศรัทธาหรือยังศรัทธาเป็นยังไงฟังทบทวนหนูนะศรัทธาคือ ความเลื่อมเลื่อมสเลื่อมสายเลื่อมสา ย, สายถ้าน้ำใสเป็นยังไงก็คือน้ำไม่ไม่ขุนมัวจิตที่เลื่อมสก็คือใจที่ไม่ขุนมัวเนี่ยนะนั้นศรัทธาก็เพ่งไปที่ความไม่ขุนมัวไม่ใช่งมงายนะตรงกันข้ามศรัทธาไม่ใช่ทิฏฐิเนี่ยนะทิฏฐินี้ไม่ผ่องใสแต่ศรัทธานั้นผ่องใสถ้าคนมีศรัทธาจริงๆนั้นใจจะผ่องใสเนี่ยนะ ถ้าคนที่มีศรัทธาให้ทานก็จะผ่องใสทั้งก่อนให้ผ่องใสในขณะที่กำลังให้ให้เสร็จแล้วก็ผ่องใสอยู่เท่าเดิมนั่นแหละเรียกว่าคนมีมีศรัทธาในชั้นตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามีศรัทธาที่จะฟังคำสอนในส่วนลึกซึ้งต่อไปเนี่ยนะถ้าหากว่าเราตั้งอัตตะสัมมาปณิทิตั้งจิตว่าโดยแยบคายว่าพระธรรมคาสอนเหล่านี้เนี่ยนะเป็นอุบายเป็นข้อปฏิบัติ ที่ช่วยให้สัตว์นั้นพ้นจากความทุกข์คำสอนเหล่านี้ถ้าหากว่าผู้ใดปฏิบัติตามก็เป็นนิยานิกระมเป็นธรรมะที่ช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์ได้จริงๆถ้าหากว่าเขามีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิและมีปัญญาศึกษาพระธรรมคำสอนโดยสิกขาทั้งสประการคืออธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาเมื่อเขามีสิกขาทั้งสามประการ เขาก็สา ม, มารถพ้นจากวัตทุกข์ได้แต่เฉพาะข้อความที่เอามากล่าวช่วงนี้เป็นสิกขาประเภทไหนเห็นไหมสิกขาประเภทปัญญาสิกขาหรืออธิปัญญาสิกขาเนี่ยนะเฉพาะที่กล่าวในวันวันอาทิตย์เนี่ยนะส่วนศีลสิกขาจิตสิกขาโดยธรรมดาทั่วไปก็ค่อนข้างพูดมากพอสมควรนะแต่ทีนี้ปัญญาสิกขาก็กล่าวมาเรื่อยๆนะค่อยๆสะสมไป อันความรู้ในด้านพระธรรมนั้นเอาคุ้นเคยเข้าว่านะนะถ้าจะเอาแบบคนที่มีความสามารถทรงจําแล้วไปใคร่ครวนเพ่งเข้าใจโอ้โหแตกฉานทะลุปุโปร่งไปหมดเลยอันนี้คงไม่ใช่เรามั้งเนอะหรืออาจจะเป็นยอมก็ได้มั้งเนอะแต่ไม่ใช่อาตมาแน่นอนนะสะสมไปอย่างเดียวก่อนเ <c oughs> พราะฉะนั้นจากปัญหาที่ท่านโมคราชถามว่าบุคคลพิจารณาเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงจะมองไม่เห็นนีนะ ถ้าพูดอีกสำนวนหนึ่งเขาบอกว่าเห็นโลกยังไงจึงจะไม่ตายอย่างนั้นเด้อเห็นโลกยังไงจึงจะไม่ตายเห็นโลกอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์แสดงว่าเขามองเห็นปัญหาความทุกข์เนี่ยมากมายเมื่อเขาเห็นปัญหาคือทุกข์เนี่ยมันมากขนาดนี้ทํำยังไงอะ่ะเห็นโลกอย่างไรจึงจะพ้นไปจากทุกข์พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเออเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์นะ เห็นโลกเป็นของศูนย์มีสติทุกเมื่อทอนอัตตานุทิฏฐิเนี่ยนะผู้ที่ปฏิบัติตามนี้แหละจึงจะข้ามพ้นจากความตายได้เนี่ยนะผู้ที่ปฏิบัติตามนี้มัจจุราชก็มองไม่เห็นมองไม่เห็นก็คือไม่ตายแล้วเองเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความไม่ไม่ตายนิพพานอีกเชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าอจุติบทอจุติจุตินี่แปลว่าอะไรนะแปลว่าเคลื่อนนะเคลื่อนจุตินี่แปลว่าเคลื่อน อาจุติปแปล ว, ว่าไม่เคลื่อนบทที่ไม่เคลื่อนบทที่ไม่เคลื่อนก็คือนิพพานอย่างเดียวเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติแบบนี้ก็จะเข้าถึงอาจุติบทก็จะเข้าถึงพระนิพพานเพราะตรงนี้เน้นที่ปัญญาศิกขาเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าปัญญาศิกขามีศิกขาอะไรเป็นบาตรมีจิตตสิกขาเป็นบาตรจิตติกขามีศีลศิกขาเป็นบาตรเด็นะ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราก็ฟังสุตะประเภทปัญญาสิกขาหรืออธิปัญญาสิกขาถ้าหากว่าฟังแล้วปฏิบัติตามไม่ได้ไม่เป็นไรสมทานว่าสักวันหนึ่งจะต้องเห็นเหมือนแบบพระมกขราชได้นะเพราะาท่านมวขราชที้ท่านเห็นแล้วท่านพ้นทุกข์ได้สักวันเถอะนะใช่ไมสมัยโบราณเขาจึงนิยมตั้งคาบุญและตั้งความบาตนาว่า นิพพานะปัจโยโหตุหรืออาสวะขยวาวะงนิพพานังโหตุว่า ง, งั้นเถิดตอนนั้นยังไม่มีแรงพอจะยกไหวรอกว่า ง, งั้นตอนนี้ถอนอาสวะยังไม่ได้แต่ว่าบุญกุศลที่บำเพ็ญไปแต่ละวันแต่ละวันขอจงเป็นอุปนิสัยเพื่อถอนอาสวะว่า ง, งั้นหรืออาสวะขยะขยะแปละว่าสิ้นไปนะกุศลที่บำเพ็ญเหล่านี้ขอจงเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะ